เทศนาปี82ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสารตุสโกวัดป่านาคำร้อยจังหวัดกุรธานีแสดงทางํามในวันที่2กันยายน2558มีชื่อเรื่องว่าดีหรือชั่วตัวตนหลักจะได้รับผลเอง ใครใครก็ามาถามหลวงพ่อเป็นไงสุขภาพห ล, ลวงพ่อโอ้ยหลวงพ่อมแต่ชื่อเป็นพระอินท่านั้นน่ะร่างกายเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหะเนี่ยใช่ไหมนะหลวงพ่อก็ใช้ใช้เครื่องใช้เครื่องรัดเอวเหมือนกันนี่น่ะใส่เสื้อใส่ใส่เสื้อเกาะเหมือนกันเอปวดหลังแล้วปวดเอวเลย มาได้หลายวันแล้วแต่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วล่ะแต่หลวงพ่อดูๆแล้วค ง, งจะไม่ใช่กระดูกนะคงจะไปเป็นกล้ามเนื้อเส้นจะมากกว่าหลวงพ่อสังเกตสังเกตตัวเองอยู่เพราะกระดูกหลวงพ่อเนี่ยกระดูกแข็งทําไมยังกระดูกแข็งเพราเกิดมาหลายปีเห็นไหมไม้ประดูมะค่าตะเคียนทองมันเกิดมาหลายปีมันต้องแกข่งใช่ไหม แต่หลวงพ่อก็เกิดมันตั้งเสร็จเ็ดิบกว่าปีจะไม่แกล้งได้ยังไงฮะหลวงพ่อต้องกระดูกกระดูกหลวงพ่อต้องแกล้งเป็นเสียแต่ไม้ถ้ามันเกิดมากเกิดน้ํำกระดูกกระดูกเออไม้ผูกมันกันนะเออมันกวงมันกันเออไม้ผูกเพราะมันเกิดมานานแต่หลวงพ่อเนาะดูหลวงพ่ออยู่คิดว่าไม่ใช่มันคงไม่ใช่กระดูกนะคงจะเป็นกล้ามเนื้อหรือเป็นเส้นจะมากกว่า เพราะนั้นหลวงพ่อจึงใช้พวกอะไรที่เป็นยาเนี่ยแปะกลัวเอีย้ยใส่เข้าไปแล้วก็ใช้เข็มรัดคัดเอวก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะดีขึ้นมากๆแล้วล่ะอีกแม่นานเขาคิดว่าน่าจะหายได้แต่ <c oughs> ว่าไม่ จาเป็นหรือไม่หนักหนาจริงๆหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะเข้าไปบรบกวนพวกแพทย์พวกหมอเพราะเหตุใดเพราะพี่น้องประชาชนเข้าไปแต่ละครั้งแต่ละหลนะโอ้เกลียงคิวกันยาวเหยียดและเราจะไปหาแสงคิวก็เถิดทำไมจำเป็นจริงๆนะถ้าจำเป็นจริงๆก็ไม่ว่ากันคือเอาดูดูในใจของหลวงพ่อก็อย่างที่หลวงพ่อเคยพูดให้ คณะทัดทาญาติโยมโลูกหลานได้ยินได้ฟังบ่อยๆด้วยบุญด้วยกุศลที่หลวงพ่อได้ทำมาเครื่องมือแพทย์ก็ดีตึกโรงพยาบาลก็ดีเตียงคนไข้ก็ดียุกยาเรื่องต่างๆก็ดีมูลนิธิก็ดีเกี่ยวกับดูแลพระสงฆ์อาพาธครูบาอาจารย์ เก็บไข้ได้ป่วยตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้รับการสนับสนุนการดูแลด้วยเครื่องมื อ, อด้วยการสงเคราะห์อนุเคราะห์ของหลวงพ่ อ, อบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงอย่าให้หลวงพ่อได้เข้าไปนอนโรงพยาบา ล, ลเด้อหลวงพอกิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าทาเครื่องมือแพทย์ช่วยโรงพยาบาลแล้ว เป็นการกุยหมายป้ายทางเพื่อจะให้ตัวเองเข้าโรงพยาบาลง่ายๆแหหลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้นนะหลวงพ่อคิดว่ายาให้ผู้ข่าได้เข้าโร ง, นนโรงพยาบาลเด้อเอาเป็นยังไงหลวงพ่ออ้อาวถ้าหากว่าหมดอายุไขแล้วก็จะทำยังไงได้เกิดแก่เจ็บตายก็ให้ไปเร็วๆจ้ะ แต่ว่าจะให้รถเฉียวรถชนหมดตกต้นไม้ควายชนหัวล้มกลมกลับหัวนอกพื้นหมตายแบบนั้นบอกหลวงพ่อก็อไม่ปาถนามันอุดอุดสูดูดายเกินไปแต่ว่าป่วยขึ้นมาแล้วก็ย่าให้มันกี่วันาจากนั้นก็โอหมดอายุขย แ, ลแล้วท่านเลยปักไปเลยมันจบจบไป <c oughs> นี่แหละอันนี้คือความคิดคือความปาถนา แต่จะสมหวังดังปรารถนาหรือไม่อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกต่างหากใครๆก็ปรารถนาไปในทางที่ดีที่ถูกต้องที่เหมาะสมตามทีต่ตัวเองต้องการนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็ต้องพร้อมเหตุการณ์บุญบารมีอะไรหลายอย่างที่มันเข้ามา เกี่ยวข้องผสมผสานกันนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สองกันยายนพุทธศักราช2558เมื่อวานหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับการดำเนินของพุทธคือพระพุทธทเจ้าท่านดำเนินอย่างไรเป็นแนวทางเป็นกระจกเงาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย แต่พวกเราเป็นสาวพวกสาวิกาอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทสีของพระพุทธเจ้าเราจะเดินตามแนวแถวของพุทธะอย่างไรนี่แหละอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้คิดอีกเหมือนกันนะแต่พระพุทธเจ้าท่านเดินอย่างนั้นท่านวางแบบแถวแบบแผนของท่านแต่พวกเราเป็นสา ว, วก เราจะเดินยังไงในการประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ความมุ่งมั่นความมุ่งหวังคืออันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าคือต้องการหนีจากทุกหนีจากทุกให้ไปถึงสุขหนีจากทุกให้ถึงสุขคล้ายๆก็ว่าให้หนีจากเกิดแก่เจ็บตายและก็ไม่ให้มาเวียนว่ายตายเกิด อันนี้คือพระพุทธเจ้าแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันไม่มีใครหรกปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าทุกในชาตินี้ขอให้ข้าพเจ้าทุกกว่านี้ไปอีกต่อไปภายภาคหน้าก็ไม่มีใครปรารถนาอย่างนั้นมีแต่ทุกขขนาดนี้เถอะต่อไปขอให้บุญกุศลช่วยเหลือช่วยเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าอย่าให้ข้าพเจ้าคําว่าทุกข์ยากลําบาก อะไรก็ตามแในเรื่องปัจจัยสีก็ตามในเรื่องสุขภาพร่างกายก็ตามในเรื่องการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านก็ตามขอให้ขออย่าให้ข้าพเจ้าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอันนี้ก็คือความปรารถนาของมนุษย์ชาติทุกๆคนแต่พวกเราท่านทั้งหลายรพราะผู้ใจเจ้าก็ท่านก็ปรารถนาอย่างนั้นคือปรารถนาโพธิญาณ โพธิยานคำนี้ใครก็ว่าท่านปราถนาตัวของท่านเองแล้วท่านก็อยากจะข น, ข น, ขนลือสปปรรพสัตว์ทั้งหลายไปด้วยใครๆว่าเมื่อท่านรู้เหตุอะไรท่านได้ริ้มรสอาหารอร่ อ, รอยท่านก็เนี่ยเ อ, เอามาแจกแบ่งให้กับบริษัทบริวารของพระองค์เออนี่อาหารอร่ อ, รอยนะ่ากินใครๆว่าท่านเป็นชอบคนหมู่มากคือพุทธะนะ แต่พวกเราในสาวากะนี่ยสาวากะแปลว่าผูส้สดับในเมื่อได้สดับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เดินตามตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนอย่างไรเราก็เดินตามจากนั้นเรามีหมู่มีเพื่อนไหมก็มีคนเราถ้าเกิดมาก็ต้องมีพ่อมีแม่มีวงศาคณาญาติมีญาติมิตรสหายมี บริษัทบริวารคนที่รู้จักมักคุ้นคนที่เข้าใจกันอันนั้นแหละคือบริวารหรือว่าหมู่พวกพวกเพื่อนอย่างพระสาวกแต่และองค์ท่านก็มีหมู่มีเพื่อนของท่านพระพุทธเจ้านี่กว้างขวางกว่ามากมายแต่พระสาวกเนะี่คือเป็นกลุ่มอันนี้ก็คือพระสาวกผู้สดับจากพระธรรมคําสอนจากนั้นทํามาประพุทธปฏิบัติแต่จุดหมายปลายทางนั้น เหมือนกันเออเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสวยพระกยาหารอิ่มอย่างไรเอ่อพวกเราก็ทานอาหารอิ่มอย่างนั้นอิ่มอย่างพระพุทธเจ้าอันนี้คือถึงถึงถึงสูงสุดของธรรมะนี่ของเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านตัดสู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยอริยสัจ ส, สีทุกสมุทัยนิโรธมักแต่พระองค์ค้นใน้นำสั่งสอนพวกเรา พวกเราเดินตามแนวแถวของพุทธคือพระพุทธเจ้าเดินแนวระยะสัตว์สี่จากนั้นจิตใจของเราก็เป็นพระอระหันต์หมดโจดจากกิเลสพอถึงข้านั้นแล้วเสมอการพระพุทธเจ้าอิ่มอย่างไรเราก็อิม่มสาวกสาวกก็อิ่มอย่างนั้นทีนี้พอถึงข้าวอิ่มแล้วพระสาวกก็มาเดี๋ถาม พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ถามสาวกพระสาวกก็ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ฉันอาหารอิ่มอย่างไรนาะพระเจา้าข่านะพวกท่านทั้งหลายฉันอาหารอิ่มยังไงเนอะพวกเธอให้เขาว่าอิ่มแล้วรู้จักแก่ใจของใครของเรานี้ก็เหมือนกันธรรมะขั้นสูงสุดของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณหรือท่านได้สาเร็จเป็นพระอระหันตธรรมะจุดนั้นเหมือนกัน แต่ว่าธรรมะที่จะเข้าไปสู่จุดนั้นนะที่จะก่อนที่เราจะทําอาหารก่อนที่จะทําไร่ทํานาทํารัว้วทําสวนก่อนที่จะเป็นอาหารมาใส่จานแล้วก็มาตักทานให้อิ่มท้องนี่แหละมันเรื่องใหญ่เลยเรื่องมากพระพุทธเจ้าท่านก็นบําเพ็ญมาตั้งนมนานมากมาย ก่อนที่เราได้ตัดสินใจสมัยเมื่อเราตั้งความปรารถนามามากแต่ในใจของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้สําเร็จขอให้ข้าพเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอยู่ในจิตใจนี่ก่อนนานพอต่อมา ก, ก็ออกปากอีกแต่บอกให้ใครใครฟังได้รู้ว่าผมเนี่ขอปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านะ อันนี้ไม่อายใครลประปุกวัฏฐนาภิเแก่กล้าขึ้นมาแล้วอันนี้โ ห, โหยาวนานไม่รั่วกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติเหมือนกันพ่อจนั้นทก็ได้รับพยากรเลยพยากรคล้ายๆว่าพระพุทธเจ้าผู้มีญาณธาตุญาณทัศนะอุบัติขึ้นในโลกเราจะไปทําคุณนามความดีอย่างพระพุทธเจ้าทีปังกรได้พยากรณ์พระพุทธเจ้าของเราสูเมธาดาบท ที่ไปทําถนนพระพุทธองค์พระเจ้าพระพุทธเจ้าทีปังกรก็บอกว่านี่นะสุเมธาดาบทเนี่ยต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตชื่อโ ค, โคตมะโคตมะโคดพระปิดาชื่ออย่างนี้พระมารดาชื่ออย่างนี้อคคมเหสีคู่บรารมีชื่ออย่างนี้พระสาวกซ้ายขวาชื่ออย่างนี้ผู้ อุปถัมภถาคออย่างพระอานุนพุทธอุปถากชื่ออย่างนี้อันนี้คือพระพุทธเจ้าฝ่ายอุบาสกผู้ดูแลปณิบัติคืออนาถาเมติกะทางฝ่ายอุบาสิกาคือนางวิสาขารพระพุทธเจ้าทีปังกรพยากรไว้หมดเลบอกไว้หมดเลยคือเครือข่ายลูกน้องบริวาลอันนั้นเปลวันแน่นอนใช่เออ พระพุทธเจ้าที่บังกรพยากรและสูเมธาดาบทเนีตายจากชาตินั้นก็ขึ้นไปสู่พรหมออกจากพรหมก็มาสูเา่เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมนุษย์หลุ่มหลุ่มรอนๆสูงสู ง, สงต่ํๆาๆเกิดเป็นสัตว์ที่ชาญก็ไม่มากมายมหาศาลเกิดเป็นลิงข้างบางชนิดเกิดทั้งหมดพระพุทธเจ้าใช้ชาตินะาตามพุทธประวัติของท่านนี่แหละจนมาถึง ไกล้เข้ามากินี่แหละเป็นผู้สมบูรณ์ตั้งตัวได้ขึ้นมาเรื่อยผลที่สุดชาติทุดท้ายก็คื อ, คอมาเกิดเป็นพระเวชชันดอนท่านก็ยินดีในการทําทานอย่างยิ่งออกจากพระเวชชันดอนก็ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตออกจากนั้นก็จะขึ้นไปอีกต่อไปอีกชั้นต่อไปพระบุญบารมีของท่านแก่กล้าแล้วเทวบุตรพรหมทั้งหลายจึงกราบราตนาท่านลงมา ลงมาเกิดพระ อ, องค์จะได้ลงมาเกิดที่กรุงกระปิลพัทดังก็อย่างที่พระพุทธเจ้าทีปังกรพยากรณ์ไว้ทั้งหมดเพราะท่านเหมือนกับตาเห็นแล้วยังพูดนะเพราะท่านมีญานาณทัานฐฐนะเนี่ยอะไรนั้นก็คือความเป็นมาของพุทธะแต่สาว ก, กอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันอืแต่ว่าในเมื่อ พระพุทธเจ้ายังสงฆพระชนอยู่ท่านก็พูดให้ได้ให้ฟังได้ท่านมีญานารถยานยารถนะมีเครื่องมืออมีเครื่องมือตรวจตราดูได้แต่จะไปดู่มัน อ, อดีตที่ผ่าน ม, ามันก็ผ่านมาแล้วนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราแต่านบอาดีตจะทํายังไงไปกินทานของอริษอร่อยมันก็ผ่านมาแล้วทําความชั่วมันก็ทํามาแล้ว <c oughs> ทำดีทำชั่วมันทำมาแล้วมันเป็นบทเรียนเท่านั้นเองถึงที่ดีคือคือตั้งแต่บัดนี้แหะตั้งแต่ขณะที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หะหายใจเฮือกนี่แหละตั้งเป็นต้นไปควรประกอบคุณงามความดีควรสังสมคุณงามความดีอันไหนดีรู้ไหมดีทำความดีคิดดีทำดีพูดดีในเมื่อคิดดีทำดีพูดดีอนาคตมันก็ดีไปเอง ถ้าว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราทำความชั่วในขณะนี้ปัจจุบันที่เราอยู่เดี๋ยวนี้ทำความชั่วขึ้นมาพอคิดชั่วขึ้นมาแล้วกันไะหคิดชั่วขึ้นมาไปหาหมีดแล้วขึ้นมาแล้วก็คิดชั่วนะจากนั้นก็นเดินไปเอามีดไปยํำแล้วไปแทงคนอื่นเข้านะทำชั่วนะอย่างพูดสำทับเนี่ยฆ่าเจ็บใจมาพอแรงแล้วลนะ่ะเอาขราวนี้เอาเอาเต็มที่นะวนะทางกายไอ้ทางใจด้วยทางกายด้วยท้งวาจาด้วย เมื่อทำลงไปแล้วนะั่นเขาก็จับเข้าคุกเลยทเียอนะจับเข้ากงขังออกจากนั้นก็เข้าคุกเพราะทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเพราะทำความชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอันนี้คือชั่วในปัจจุบันนะแต่นี้ต่อไปภายภาคหน้าดวงวินดางดวงนั้นมันไม่ใช่ชั่วแต่อยู่ในยุคปัจจุบันนะตายไปแล้วความชั่วแต่นรื่มันยังติดไปอีกในอนาคต อย่างพระโมคขลาเถระนะท่านฆ่าพ่อฆ่าแม่ของท่านผลที่สุดเกิดพบภพชาติหน้าก็เขาก็ฆ่าท่านฆ่าพระโมคขลาขนาดชาตินี้ห่อเหินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์แต่ก็ไม่เหนือกรรมพระพุทธเจ้าว่าไม่เหนือกรรมกรรมในเหนือกว่าอิทธิฤทธิ เหนือกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นอย่าทํากรรมถ้าทํากรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนถ้าทํากรรมดีกรรมดีให้ผลตนเองก็จะมีความสุขกายสุขใจเพราะนั้นให้ทําแต่กรรมดีคิดดีทดําดีพูดดีเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มื่อเมื่อกรรมดีให้ผลนะนั่นแหละความสุขกายสุขใจก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นให้พวกเราย้อนดูแนวความคิดของตนเองตั้งแต่บัดนี้แะตั้งแต่นั่งอยู่ที่นี้หละย้อนดูสิที่เราระลึกได้ย้อนไปถอยหลังไปที่ว่าเราได้ทําสิ่งไหนไว้บ้างที่มันไม่ดีที่มันคดมันโคง้งที่มันเป็นสีดาสีดําคือความชั่วสีขาวคือความดี คนเราไม่ใช่แต่ทำแต่ดีอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ใช่จะทำแต่ชั่วอย่างเดียวมันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในนั้นแต่ถึงยังไงให้เราดูตัวของเราไม่ต้องดูใครอื่นดูตัวของเราเองตัวไหนที่มันดำเออใช่ตัวนั้นมันดำแต่ต่อไปข้าพเจ้าจะไม่คิดจะทำอีกในจุดนั้นทำผิดจะแลว้วทำไม่ดีจะแลว้วจุดนั้น ทำในเออใช่ข้าไปเจ้าทำถูกจุดนั้นที่ข้าไปเจ้าทำผ่านๆมาคิดมาเมื่อไหรใจของข้าข้าก็สบายใจเพราะอะไรเพราะข้าทำแต่เอสิ่งที่มันสีขาวในช่วงนั้นะสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทบทวนแต่ก็ไม่ให้จิตใจเศร้าหมองนะเอถ้ามันชั่วไปแล้วก็จะทำยังไงมันชั่วแล้วเอมันแก้ไขไม่ได้แล้วมีแต่เป็นบทเรียน ของเราท่านั้นเองว่าข้าพเจ้าจะไม่ทําอีกนะอถ้าว่าสิ่ไหนที่มันดีเออข้าพเจ้าจะทําสิ่งนี้แหละให้มากที่สุดนะเท่านั้นแหละไม่ให้จิตใจเศร้าหมองถ้าจิตใจเศร้าหมองนะพอเห็นคิดถึงความชั่วตัวเองกัอหมกมุ่นติดอยู่ในจุดนั้นอีกท่านนี่พอจิตอิูจุดนั้นน่ะแหละมันจะไปทางต่ำนะท่านี่จิตใจที่มันติดอยู่ในในความชั่ว เราต้องรู้ว่าชั่วก็คือชั่วดีก็คือดีแต่ดีนั่นคือเป็นบทเรียนของเราบทหนึ่งความชั่วของเราก็เป็นบทเรียนของเราบทหนึ่งแต่คนคนแต่ละคนน่ะจะให้ดีตลอดไปไม่ได้พูดอย่างนั้นได้แต่ไหนแต่ไรมานะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเองก็เคยชั่วไม่เท่าไหร่มากๆเท่าไหร่เหมือนกัน แต่ดีของพระพุทธองค์มาหาศาลจนได้ตัดสรรุปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้คือความดีส่วนความชั่วของพระองค์นั่นก็มากอยู่แต่สู้ความดีของพระองค์ไม่ได้นิภาษาวกก็เหมือนกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันมิใช่แต่มีแต่ทางชั่วทางดีก็มีแต่พอมาถึงบทจุดนี้เราได้ศึกษา ได้เราได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์หรือเราได้ศึกษาธรรมะาจากครูบาอาจารย์จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายาได้ศึกษาหนังสือเอ m p สามธรรมเทศนาที่เราได้ศึกษาได้ฟังมาแล้วนะเรารู้แล้วว่าอันนั้นอันไหนดีอันไหนโ่ว จากนี้ตบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะทําแต่ความดีความชั่วข้าพเจ้าจะงดลดละในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นนะอันนี้ก็คือความตั้งใจของพวกเราท่านทั้งหลายควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่จะให้มันดีตลอดหรือว่าชั่วมาตลอดมันไม่มีใครที่จะดีปลอดมาทั้งนั้นหรอกแต่เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเมื่อความดีเข้ามามาก เราก็พยายามทําความดีความดีนะั่นคือเกือ้อกูลหนุนเรามักผลนิพพานก็จะความดีนะนะั่นแหะแต่ความชั่วเนะ่ยมีแต่ดึงลงทางต่ำกิเลสมีแต่ดึงลงทางต่ําำทำคือความถูกต้องดึงขึ้นทางสูงฮะเออนะเหมือนกับเราทําความชั่วเนมะื่อเราความชั่วนะความชั่วดึงลงไปคือมีแต่ตกอับเสียสื่อเสียเสียงเออไปที่ไหนก็นมีแต่นั่นะ หน้าต่ำมีผลที่จะเข้าคุกเข้าตารางเพราะความชั่วดึงลงไปแต่ถ้าความดีเชิดชูบูชาเข้ามานะไปที่ไหนมีแต่คนยกย่องนับถือเลื่อมใสนี่แหละมันเป็นลักษณะนั้นเดีกับชั่วดำกับขาวเพื่อให้พวกเราอย่าไปดูคนอื่นเขาให้ดูตัวเองถ้าดูคนอื่นดูคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุดนะดูคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุด ท่านดูเจ้าของปรับปรุงกายวาจาจใจของตัวเองนั่นแหละอพวกเราจะมีที่สิ้นสุดในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะมองดูการกระทําของพวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่างหลวงพ่อเขาเหมือนกันหลวงพ่อสมัยเป็นเนนน้อยอยู่ยังไงเข้ามาบวชจิตใจเป็นยังไงในช่วงนั้น ก็ดูดูนึกย้อนหลังดูแล้วก็อืมก็เป็นที่ภาคภูมิใจเพราะอยู่ใกล้บัณฑิตบัณฑิตนักปราชญ์เพราะเหตุไรเพราะว่าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อย่างน้อยท่านก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าอันนั้นผิดนะอันนี้ถูกนะอยา่าทำนะใครๆอยู่นั่นแบบโรงเรียนกินนอนลักษณะอย่างนั้นอ่ะเอตื่นขึ้นมาก็เห็นครูบาอาจารย์เห็นหลวงปูง่หลวงปู่ก็มีแต่แนะนําสั่งสอนเพราะท่านก็เป็นผู้มีธรรม ฝ่าย ใ, ในทำอยู่แล้วในหัวใจของท่านท่านเขนะ่ขอให้ข้าพเจ้าจะได้อย่าได้มาเวียน่หยตายเกิดในวัฏฏสงสารชาตินี้พอแล้วข้าพเจ้าจะเดินเพื่อมรักผลนิพพานเท่านั้นะอันนี้ท่านก็ประกาศอยู่ในจิตใจของท่านเพราะนั้นเราเข้าไปใกล้ท่านท่านกขพูดอะไรขึ้นมากับเรื่องมรรคเรื่องผลทั้งนั้นจากนั้นเราจะไปทะเลถลายได้อย่างไรถ้าเราไม่ ลามกจกเป็ดชั่วช้าเสียหายจนเกินไปต่าซามจนเกินไปเพราะนั้นเราก็ต้องศึกษาต้องฟังมาอยู่กับหลวงตามหาบัวนี่ก็เถินะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินแต่ละเช้าแต่ละวันที่หลวงตาแสดงธรรมให้ฟังล้วนแล้วจะเป็นเรื่องมักคเรื่องผลทั้งนั้นธรรมะเป็นปัจจตังนะธรรมะเป็นอากาลิโกนะ ไม่เลือกการไม่เลือกเวลานะให้พวกท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัตินะให้เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนะมีแต่สอนอย่างนั้นที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังผลนั้นมาถึงจุดที่หลวงพ่อก็เหมือนกันหลวงพ่อพูดตอนเช้าให้กับกรณรศรัทธา ญ, ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเนี่ยหลวงพ่อก็เองเลยนำทำคาสอนของพระพุทธศาสนานํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้า มาชี้นำชี้แนะให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังทานเป็นอย่างนี้นะผลแห่งการทานเป็นอย่างนี้นะผลแห่งการรักษาศีลเป็นอย่างนี้นะผลแห่งการภาวนาเป็นอย่างนี้นะถ้าว่าเรามีแต่เรื่องภาวนาอย่างเดียวได้ไหมได้แต่ว่าเกิดมาพบหน้าชาติหน้านะ่ะหาข้าวจะกินก็ไม่มีนะลำบากนะเพราะอเ น, น้สงทานไม่มี ถ้ามีแต่อันนี้สงทานมีแต่ร่ํำรวยอันนี้สงสีไม่มีกับคนมาเบียดเบียนเราพอเราทําผิดศีลในอดีตชาติในเมื่อเรามีทานแล้วก็มีศีลแล้วก็มีการบําเพ็ญภาวนาบําเพ็ญภาวนาคือทางด้านจิตใจนะฝึกฝนทางด้านจิตใจให้รู้จักดีให้รู้จักชั่วให้รู้จักสิ่งควรไม่ควร เพราะนั้นทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามันเกี่ยวเนื่องกันสรุปแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งนะต้นไม้ต้นหนึ่งมีทั้งเปลือกมีทั้งกระพีมีทั้งแก่นเปลือกคืออะไรกระเปลือกก็คือทานกระพีก็คือศีลแก่นก็คือปัญญาถ้าว่าต้นไม้ตัว น, นั้นไม่มีเปลือกล่ะต้นไม้ตัว น, นั้นจะจะเลือ่อรุ่งเรืองได้ไหมไม่ได้เถ้ากับตากเปลือกออกไม้ต้นไม้ก็นถึงจะ ขึ้นมากับแกนแกนนั่นแหะตายแหละไม่ตายแหละถ้าต้นไม้ไม่มีกระพีแหละเป็นยังไงกระพีผุผูกฮอแล้วต้นไม้แหละไม่มีแก่น่ะไม่มีไม่มีแกนเอต้นไม้ต้นนั้นเป็นยังไงหาคุณค่าไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเอจึงว่าในการเป็นอยู่ของพวกเราในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะแล้วท่านบอกว่า ต้องมีน้ำใจต้องมีการเสียสละหามิจฉาทานการเสียสละให้กับผู้ที่ด้อยกว่าให้เกิดประโยชนเ์เมื่อการอยู่ด้วยกันต้องมองเขามองเราเอไม่ใช่ว่าเราจะรวยแล้วไม่มองใครเลยไม่น่าจะถูกนะอะต้องเสถีอเผื่อแผ่เพราะมันอยู่มนุษย์ชาติอยู่ด้วยกันนี่แหละถ้าว่าเราไม่เผื่อแผ่ใครนั่นแหล ะ, ะคนการที่ไม่เผื่อแผ่ใครนะะั่นแหะ ผล น, นิสุก็เป็นพิษเป็นภัยสำหรับตนเองอีกที่เขาไม่มีอยู่มีกินเขากันน่ยปนข่ายชกหลักขลักขโมยเป็นไปได้ทั้งนั้นถ้าเราเฉลือเผื่อแพรกันโลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันโลกทั้งหลายก็อยู่ด้วยการผาสุขพลอยหลายเพราะมีการเสียสละมีฐานะคือการเสียสละอมิชทานอภัยทานวิทยาทานธรรมทาน คำทานคำนี้นะมันมีหลายนะอามิษฐทธธานคือให้อามิษฐวิทยาทานคือให้ความรู้อภัยทานคนอยู่ด้วยกันสองคนมันต้องมีความไม่เครื่อนคลายเครื่อกันความไม่พอใจต่อกันให้อภัยกันก็จบนะถ้าถือโทษโกรธเครื่อนกันอยู่ผูกพยาบาทอาฆาตกันอยู่ตลอดมันจะหาความสุขได้อย่างไรแล้วก็ทำมทาน อย่างหลวงพ่อเนี่ยกูบาอาจารย์เนี่ยให้ให้ธรรมทานเนี่ยเป็นเครื่องชี้นําชี้แนะมาตลอดคิดอย่างนี้นะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมนะอคิดอย่างนี้นะคิดถูกนะคิดอันนี้คิดอย่างนี้เกีวกัสัมมาทิฏฐิคิดอย่างนี้เนี่ยไม่ถูกนะเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดอย่างนี้ผิดไปทางที่ผิดนะนี่แหละอันนี้ก็คือธรรมทานแหลอจากนั้นก็บอกวิธีแนวความคิด จากนั้นก็วิธีการพูดวิธีการกระทําแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเรียกว่าอันนี้เรียกาธรรมทานฮะอันนี้เรียกว่าทานศีลก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอย่าไปฆ่าคนอื่นนะอย่าไปขโมยคนอื่นนะอย่า ป, ประพฤติลาบละลวงในสามีภรรยาของคนอื่นเขานะอย่าไปโกห ก, ก, ก ต, ต้มตุนหลอกลวงเขานะ อย่าไปดื่มโซราให้ขาดสตินะอถ้าเมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างนะเอเพราะมันขาดสตอิอันนี้ก็คือศีลถ้าคนมีศีลคุ้มครองเราทั้งมีทานด้วยทั้งมีศีลด้วยจะเนี่ย เ, เราไปนะัดสถานที่ใดก็มีความผาสุกแต่คิดถ้าคิดขึ้นมาคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาเองจะเนี่อถ้าคิดขึ้นมาแล้วก็ทําความดีทําความ ให้ทานรักษาศีลกับไปอย่างงั้นล่ะอทําไปเะศึกว่าทำไปอย่างงั้นล่ะอข้าไม่เชื่อหรอกอ่าอ่อันนี้เป็นมิจฉาทิฐิขึ้นมาแหละแต่ทำดีก็ไม่ได้ดีทําชั่วก็ไม่ได้ชั่วหรอกถ้าทำอยู่ในโล ก, กทําไปถ้าไม่ทําเขาก็หาว่าอข้าอไม่อยู่ไม่อยู่ในทํานองคองทำฆ่าก็ทําไปอย่างงั้นล่ะในใจคิดอคิดขึ้นมาอย่างนั้นอันนี้แปลว่าคิดเป็นมิจฉาทิฐิเลย อ, อมิจฉาทิฏฐิคำนี้นะ่ะตายเลยไม่รู้จะได้เกิดหรือเปล่าตายแลย้วจะสูญก็ได้ทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วนโลกสวรรค์ไม่มีอันนี้ก็คือความคิดอะไรท่านนะถ้าคิดอย่างนั้นขึ้นมาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความผิดอย่างร้ายแรงพระพุทธศาสนากลัวมากเลยพระพุทธเจ้ากลัวมากไม่มีคิดภัยไหนไม่มีอันไหนที่น่ากลัวยิ่งกว่า มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นนะ่ะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้สังเกตตัวเองพูดทั้งนี้เท่า น, นั้นให้มองตัวเองให้สังเกตตัวเองนะวันนี้ก็ให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งสําหรับพวกเราอาต่ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พ่อนรับผ่ น, นะ